Thank mm -hmm. you.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 เรากายมาเป็นวัสดุประกอบสร้างความรู้ให้มีความรู้อยู่กับกายมันเป็นของจริงกายก็มีอยู่จริงความรู้ก็มีอยู่จริงแต่ทีบทที่เราสร้างรู้เป็นคลั้งเป็นครั่ ง, งอยากหลงพัดเข้าไปในความคิดบางทีความคิดมันก็รู้ก่อนถูกก่อนผิดก่อนบางทีมันพยายามที่จะหลอกเรา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 มันก็ไปต้องไปคิด <Yeah. S 1> มันจะคิดขึ้นมาเองให้มันเห็นจังๆเห็นความคิดที่ไม่ได <cend ans> ้ตั้งใจความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจเนี่ยถ้าเห็นจังๆเนี่ยมีประโยชน์มากมากถ้ารึ่งหลงขึ้งลู่จะไม่มีประโยชน์ความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจมันก็จะหลอกเราไปอีกเรื่อยๆเห็นความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจเห็นแล้วยิ้มไวลึกๆรู้สึกว่ามัน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 แต่การเคลื่อนไหวที่เรายกมือ14จังหวะนี้เราเจตนาอันนี้ต้องรู้แน่นอนอันที่มันเกิดขึ้นจากรี่บทอื่นื่นบางทีนั่งอเฉยๆยกมือไปจับไม้ยกมือไปโ น, น่นไม่ได้เจตนาก็รู้เหมือนกันก็สอนตัวเราเหมือนกันไม่ใช่จะยกมือไปสม 4, สี่สมห้าลำดับลำนำการฝึกตนนี่จับเงื่อนจับไข่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 มันไม่ออกตัวมันไม่ออกไปดูเพาจะอยู่กับการยืนอ๋วิธีที่เราทำจึงอาศัยอนิยบทเนี่ยเป็นการเจ็บเอาความรู้เป็นการเก็บเอาความรู้ไม่รู้อะไรก็ตามให้มันขยันรู้ไปอย่างนี้ความรู้ที่เรารู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วไม่ใช่รู้แล้วแค่นี้นะมันก็รับความช่วมันก็ทำความดีมันมีสติมันเป็นอย่างนั่นอยู่แล้วแล้วก็จะเห็นอาการต่างๆเห็นความคิด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 คนอื่นก็เห็นเหมือนกั น, beneath, น, น, นกับ เ, เราเห็นก็เป็นของอันเดียวกันความคิดที่เกิดขึ้นกับเราเวลาเราคิดกันมาความคิดที่เกิดขึ้นคนอื่นก็เหมือนกันไม่ต่างกันเลยไม่ต้องไปสาคัญมั่นหมายว่าเราคิดมากว่าเราไม่คิดไม่มีตัวไม่ตนอยู่ตรงนั้นไม่มีตัวไม่ตนไปอยู่ตรงไม่สาคัญมั่นหมายว่าเราเป็นสุขว่าเราเป็นทุกข์ว่าเราคิดมาก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 การไล่หมาไม่ให้จิ้งเข้าสารเป็นเรื่องดีเป็นความรับผิดชอบของคนพ่อบ้านเห็นไก่มันขึ้นมามันจะไปจิ้งเข้าสารมันเคยจิ้งเข้าสารก็ได้ไล่ไก่ไม่ให้จิ้งเข้าสารก็ว่าได้ทำในสิ่งที่มันดีของคนพ่อบ้านทำหน้าที่อย่างดีงเราสอนลกูกสอนหลานตัวเล็กๆหลานเราก็รู้จักไล่ไก่